เป็นเรื่องของสมมติที่ต้องหมุนไปตามแบบห่งธรรมชาติที่ท่านสอนไว้ว่าอันนี้ช่างทุกขังอนตตาเพะฉะนั้นการมาศึกษาจริงไม่ควรนิ่งนอนใจในขณะที่ควรจะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติ และการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยพิดหวังมาหลายครั้งหลายหนแล้วนั่นหลกผู้หวังพึ่งพิมพครูอาจารย์เดี๋ยวองค์นั้นผ่านไปองค์นี้ผ่านไปอยู่เรื่อยๆไม่มีการหยุดยัง้งแม่ตัวของเราเองก็จะต้องผ่านไปเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่มีอะไรเหนือกว่ากันไปเลยเมื่อมีโอกาสนั่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติฮะศึกษาอารมณ์จากภูจากอาจารย์อยู่เราก็ควรจะตักตวงให้พอเป็นเนื้อเป็นหนงังเป็นสาระคุนเป็นที่ยึดเหนี่ยวภาในจิตใจของตน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 ความชั่วอยู่ในใจในตัวของผู้ใดก็ไม่สําคัญยิ่งกว่าที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามทิ่มแทงหัวใจอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่เห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่หนักแน่นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดเสี้ย น, น, นหนามดิแลมเหลาที่ทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจตลอดมานี้ให้หมด สิ้นไปโดยลำดับด้วยความเห็นไทยนี่เป็นความถูกต้องชอบธรรมท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ผมก็เคยได้พูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วผมรับนี้ไม่ใช่รับด้วยอำนาจวาสนาบุญญาพิจมพานว่ามีกว้างมีความ ม, วา ม, มีลึกมีซึ้งอะไรสนหรับตัวของผมเองไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลย ดูปกติธรรมดาธรรมดาตามสภาพของเจ้าของแต่ที่รับเพราะความเห็นใจความสงสารได้แยกแยะจิตใจของตนออกเทียบเคียมกับหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมเกี่ยวกับเรื่องครูรือ่อาจารย์ผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนเป็นที่แน่ใจเป็นที่โลงใจ ทั้งการได้เห็นได้ยินได้ฟังการพิจารณาไตรตรองตามไม่ขัดแย้งต่อจิตใจเพราะสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นไม่ขัดแย้งต่อทมต่อวินัยการที่เสาะแสวงหาครูอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วปรากฏเป็นความอบอุ่นขึ้นมาภายในตุลนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยาก เสาแสวงเสียแทบบล้มแท บ, บตายดีไม่ดีไม่เจอเลยล้มเหลวไปเฉยเฉยต่อหน้าต่อตาเราเพราะสิ่งตอบแทนความมุ่งหวังของเราความมุ่งหมายของเราไม่มีถึงมีเราก็ไม่พบไม่เจอท่านเคลียผลประโยชน์นี้ก่อล้มเหลวไปได้ทั้งที่ผมได้เคยพูดเสมอว่า เสาแสวงหาครู่หาอาจารย์นะผมเนะี่ยเสาะแสวงหามากต่อมากเพราะเราไม่ไตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างธรรมดาธรรมดาแม้จะตัวเท่าหนุยก็าตามการตั้งความมุ่งมุ่งหมายไว้่านในใจนี้ตั้งไว้อย่างสูงสุดทีเดียวคือวิมุตติพ้นเท่านั้นทั้งนี้เนื่องมาจากการได้เห็นได้ยิน ตามประวัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ท่านดำเนินเขียนไว้ตามตำลักตำลาเมื่ออ่านแล้วเกิดความเคร่งใจความรู้สึกในตอนก่อนบวชหรือตอนต้นบวชก็ค่อยเจาะจางไปจางไปจนปลายเป็นความล้มไปหมดค่อยความรู้สึกเหล่านั้น แลวมีความหนักแน่นต่อผลที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ไล้เห็นท่านได้รับมาประกาศสอนโลกแม่เรียนหนังสือก็เรียนด้วยความมั่นใจที่จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เป็นเหตุให้ตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงสุด การตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงสุดเหตุใดการสาะแสวงหาคหาา ร, หรูอาจารย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติจะไปทำแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าลุ่มๆุ่มดอนดนเป็นไปไม่ได้เข้ากันไม่ได้กับเจตนาเชนั้นจึงต้องสาะแสวงหาจริงๆทาให้สนิทใจก็ไม่อยู่จนกระทั่งถึงพ่อแม่คาารูบาอาจารย์มั่นเราบางทั้งที่กร่ลำลือ ว่าท่านมีเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวดุดาว่ากล่าวไม่มีใครเสมอพูดง่ายๆไม่มีใครเหมือนทั้งอุบายการแนะนำสั่งสอนทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ภายในใจท่านไม่มีใครเหมือนเท่าที่ได้ทราบมาจึง <c oughs> <c oughs> ในมุ่งมั่นที่จะให้ไปพบได้เห็นท่าน สมใจที่มุ่งอย่างแรงกล้านี้ก เ, เมือกไปถึงท่านแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความคาดความหมายตามที่เคยได้ยินได้ฟังมานั้นไม่ผิดเพี้ยนกันเลยแม้แต่ น, น้อยจึง เ, เป็นที่ประทับใจตั้งแต่ขณะที่ได้ยินที่แรกเรื่อยไปเพราะศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทาหูทางตา ได้ยิ้มได้ฟังได้เห็นนำมาคิดมาแตยฟองทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจลงใจได้พุกระยะระยะหาที่จะคัดค้านต้านทานไม่ได้แม้กิเลสจะมีเต็มหัวใจแต่ความมุ่งหวังต่อธรรมก็มีเต็มหัวใจเช่นเดียวกันจึงมีน้ำหนักไปตามความกินที่หาที่ค้านไม่ได้นั้นจนกระทั่งท่านได้ลุร่วมไป บัรดาพระทั้งหลายพระเนทั้งหลา ย, ล, ายละสัมละสายวุ่นวายกันแต่จะพูดได้ว่าเป็นประวัติการของพระตุดงกรรมาฐานสายท่านจย์มั่นนี้ก็หน้าเพราะขาดที่พึ่งขาดหลับใจขาดล่มโผล่ล้มใส่ทั้งๆติรรมของพระพุเตเจ้าก็มีอยู่ แต่เมื่อยังต้องพึ่งพิงอินมอาสัยครูอาจารย์แล้วครูอาจารย์ตึงเป็นร่องสําคัญอยู่มากภายในจิตใจเวลาท่านประทากจากไปสิ่งที่เคยได้เห็นก็จะมาได้เห็นสิ่งที่เคยได้ยินไม่ได้ยินสิ่งที่เราเคยสิ่งที่เคยให้ความอบอุ่นแต่เราซึ่งท่านเป็นเหมือนล่มโพล่มไทรก็ประหนึ่งว่าขาดสะบั้นลงไปหมดราวกับว่าศาสนธรรมนี้ไม่มีเลย ทั้งทั้งที่ความแน่ใจอันหนึ่งก็ไม่ได้หาดเคลื่อนแม้นิดเดียวว่าสาสนาธรรมได้เคลื่อนย้ายจากความจริงไปแต่เพราะความติดทันความคารว ะ, ะความรำไรในองค์ท่านเป็นองค์ปัจจุบันที่ได้เห็นอยู่พระจักตาเหล่านี้ได้ร่วมรับไปจึงเป็นเหมือนกับว่าดินถล่ม ถ้านเนนก็แตกก็จัดกระจายกันไปกว่าจะเกาะกันได้ก็สี่ปีห้าปีหลวงปู่างงปขาววัดถ้ำสี่ปีห้าปีท่า น, นถึงได้มาอยู่วัดถ้ำกองเพชรแต่ก่อนท่านก็อยู่ตามป่าทางนูน้นทางอำเภอสว่างหมูกพ้อนก็เข้าไม่ท่านไม่ค่อยติด ภูวาจันท์ทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปหลวงปู่อ่อนก็มาอยู่ที่หนังบูบานข้าก็ไปอำเภอกุมพวาแล้วก็โยกย้ายมานเราเองก็เรเหียเรยร่อนไปตามภาษีภาษาของเราแล้วกเ็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วท่านอาจารย์พันก็อยู่ที่นั่นเรียกว่าเกาะ พันดาพระเนรทั้งหลายเกาะอาศัยท่านเลื่อยมานี่แหละเรื่องครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนอมใสร่วงรับไปแต่ละองค์ะองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคาดประโยชน์ของผู้หลังพึ่งพงเป็นอย่างมากทีเดียวจึงของให้ทุกท่านได้ทำความสำนึกหรือรู้สึกไว้เสมอว่าสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เหล่านี้ จะกระทบกระเทือนจิตใจเราในวันใดวันหนึ่งไม่สงสัยสิ่งนี้เราจะต้องพบต้องเจอในขณะที่ได้อยู่ได้มาพิชปิบัติจึงควรตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังทุกอย่างแล้วการมาพิปิบัติจะยากลำบากขนาดไหนให้เพิ่งทราบว่าคือการต่อสู้เช่นเดียวกับนักมวยเขา ขึ้นต่อกอนกันบนเวทีไทยจะไปพั ก, พกนอนหลับอยู่ในขณะที่กำลังชกต่อยกันอยู่นั้นมีเหรอความยากความลำบากในขณะนั้นเขาไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าความหวังชนะชทยชนะด้วยไทยเดียวมีการประพฤติปฏิบัติถ้าลามาคิด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 ทมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในแปดหมืสี่พันประธรรมอันถ์นเพราะที่เป็นธรรมซึ่งสอนโลกให้ถึงจุด ท, ที่ต้องการเป็นตามขั้นตามภูมิไปนั้นไม่ได้มีอะไรที่จะมาก่อควรททำลายจักโลกให้รับความกระเพื่อมหรือคุณงัวหรือได้รับความทุกข์มากน้อย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 แต่เป็นวิธีการต่อสู้กับฝ่ายต่ําซึ่งเป็นความทุกข์เพราะฝ่ายต่ํานั้นเป็นต้นเหตุทั้งเป็นผลเหยียบย่ำทําลายจิตใจทั้งเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้หรือเราต่อสู้กับมันเพื่อถอดถอนมันออกก็เป็นความทุกข์ทำแท้ไม่ได้ทําความทุกข์ให้แก่พู้หนึ่งผู้ใดเลย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 แม้พระพุทธเจ้าจะประกาศสอนอยู่ต้งๆเรื่อยมาก็ตามว่าศรัทธาคือความเชื่อท่านหมายถึงความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่อความสัตย์ความจริงถ้าไมชื่อไม่ให้เชื่อตามความจองปลอมอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงแต่จิตใจเราหาได้ทราบไม่ว่าศรัทธานี้ความเชื่อนี้ได้ถูกกิเลสเอาไปขยำย่ําหยีแคจนแหลกตัวเราหา ไม่ไ ม, ไม่แม่นิดเดียวไม่ทราบมันเชื่อความรู้ความเห็นความได้ยินได้ฟังอันเป็นเรื่องของกิเลสรุนร ว, วนมานานเท่าไหร่แม้ขณะปฏิบัติอยู่เวลานี้มันก็เชื่ออยู่อย่างนั้นอย่างฝังใจที่เราไม่ทราบว่ามันฝังใจถ้าเราไม่เชื่อการเห็นการได้ยินอันจะให้เกิดความนักความชางังความเกลียดความกวดเราจะไปสนใจฟังดูมันอะไร ฟังมันทำหม่คิดเรื่องของมันทำไมเรื่องของกิเลส ก, ก็ทราบว่าเป็นกิเลสแล้วมันผิดผลดีขึ้นมาให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนมันไม่มีแต่ใจมันก็เชื่อของมันอยู่อย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่ทำฉุดลากขึ้นมาให้เชื่ออัดเชื่อถังมันก็ไม่ยอมเพราะเหตุที่ไม่ยอมไม่ใช่เราตั้งใจ แข่งกระด้างหรือต่อสู้ธรรมแต่เพราะเรื่องของกิเลสที่มันมีอำนาจภายในใจิตใจครอบหัวใจยอยู่มากพาให้ต่อสู้ธรรมหรือมันจะเองเป็นผู้ต่อสู้ธรรมคัดค้านทำลบล้างธรรมจึงเป็นการลบล้างความเชื่อของเราที่มีต่อธรรมให้กลายเป็นความเชื่อต่อมันเสียทั้งทั้งสิน้นโดยเราไม่รู้สึกตัวนี่นีหลักศรัทธาความเชื่อกิเลสเอาไปใช้มันช้อยู่อย่างนี้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 เชื่อนี้นีศรัทธาเราฟังกันอย่งางดาดดืนว่าศรัทธาความเชื่อหมายถึงเชื่อทําโดยแต่เดียวแต่เราลืมถึงเรื่องความเชื่อที่กิเลสที่ความเชื่อในฝ่ายธรรมนั้นถูกกิเลสเอาไปเป็นเครื่องมือข้องมันมาตั้งหารเราเราไม่ได้คิดจึงขอให้พากันคิดสะดุดใจ หากยังไม่คิดก็ให้คิดเสียในวันนี้วิระมันนักเพียนอยู่โดยหลักธรรมชาติของกิเลสพาให้เพียนพออกพอใจเพียนนำมาคิดมาอ่านใจตรองอยู่เช่นนั้นมาเข้ามาคึงในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมานานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าเป็นของเก่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆสดๆร้อนๆ ไม่มีสิ่งใดที่กิเลสผิดขึ้นมาได้ผ่านพ้นไปแล้วว่านานเท่านั้นปีท่านี้เดือนมันเป็นของดสดๆร้อนๆเพี่ยนคิดเพียนอ่านโดยเราก็ไม่รู้ว่าเราเพี่ยนแต่หลักธรรมชาติของมันมันเป็นอัตโนมัติเพี่ยนไปในตัวของมันเพราะกิเลสดีเส้นบรรทัดมาแล้วบังคับให้เดินไปตามเส้นบรรทัดผลักใสให้ไปตามนั้ น, นเราก็ไม่รู้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 ทันไม่นำมาพูดเฉยๆได้หลักธรรมชาติสิ่งได้ที่ผิดจากธรรมมันเป็นมิจฉาได้ทั้งนั้นแต่มันเป็นสัมมาของกิเลสนั่นเอเราก็เป็นตัวกิเลสทั้งตัวใจทั้งดวมมีแต่กิเลสปกคุมห่มห่อไว้ยั้งจนมิดไม่มองเห็นใจเลยมีแต่กิเลสออกทํางานทั้งภายในภายนอกเราจรึงไม่ทราบนี่แหละหลักสําคัญสมาธิก็เหมือนกัน ถ้าเป็นเรื่องของโลกของสงสารเรื่องของกิเลสแล้วมันมั่นใจมันไม่ย่อหย่อนอ่อนข้อมันไม่กลัวเป็นกลัวตายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมสังขัรร่างกายลืมคุณงามความดีไปหมดเผลนไปตามนั่นหละมีความแน่นหนามั่นคงทางการขวนขวายเพื่อผลงานของกิเลสมันขวัญขวายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสมาธิในทางเหตุ กิเลสพาให้เป็นกิเลสพาให้หมุนกิเลสพาให้ส่อให้สแสวงด้วยความพอ อ, อกพอใจผลก็ปรากฏเป็นความฝังจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แตกอย่างน้อยก็เป็นเหมือนไฟไม่กองแตกมันสมอยู่งั่นนั่ น, น, นผลของกิเลสแสดงออกไปมันเหนียวแน่นมั่นคงมาก มันไม่ได้ว่าแว่าความแพลนเหมือนสมาธิธรรมที่เริ่มต้นเริ่มในขั้นปรากฏในขั้นเริ่มแรกนี่แยกออกไปให้เป็นมิจฉาทิว่าให้เป็นสมาธิไปน ท, ทางของกิเลสปัญญากับความเฉลียงฉลาดคนทั่วมันเป็นคนงู่งเมื่อไหร่คนอุบายพิ่แพงเปลี่ยนแปลงที่จะให้เป็นไปตามความทั่วโดยที่เจ้าตัวว่าเป็นของดีเพื่อตัวเอง มันมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมากเป็นอย่างนักล้วงกระเป๋าดูสินักต้นนักขี้นักโค่นักโกงนักขีดนักไถ่ล้วนแล้วงแต่พวกที่ฉลาดหากินทั้งนั้นปัญญามันไปทา้งนั้นเกียนี่เป็นเรื่องของกิเลสเอาไปใช้พาละหานกิเลสเอาไปทรงหมดนเอาไปถ้าหลงเสียหมด พลราห้าหรืออินทรีห้าพะราก็แปลว่ากำลังแล้วออกแล้วอินทรีก็คือความเป็นใหญ่ถ้าเรานำมาใช้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงจะมีกิเลสตัวใดเล่าเนื้ออำนาจของศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธินี้ไปได้ต้องพังไปหมดไม่มีเหลือเลยศรัท ธ, ธาแล้วเชื่อต่อมรผลนิพพานมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่น ต่อการกระทําของเราเพื่อให้ทะลุปูโผงไปถึงจุดที่หมายปราทางได้แก่ความพ้นทุกข์ถ้าลงศรัทธาได้อย่างถึงขนาด น, นั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามเลยวิริยะก็เหมือนกันตามกันไปเลยสติมันหักพอใจระลึกในหน้าที่การงานของตนเพื่อความถอดความถอนสมาธิอะไรจะมั่นคงยิ่งกว่าสมาธิทางด้านธรรมะอยู่ที่ไหนก็มีความมั่นคงอยู่เช่นนั้นมีความมุ่งมั่นต่องานของตอนมีสมาธิในทางเหตุของการบำเพ็ญ เดินจงกรมก็มีพี่เลี้ยงทำทั้งห้านี้เป็นพี่เลี้ยงของความเพียรอยู่ตลอดเวลาศัทธาบิยญาสตสาิสมาธิสมาธิทั้งฝ่ายเหตุสมาธิทั้งฝ่ายผลเป็นต้นเป็นลำกลมคกนเป็นอันเดียวกันไปสาเหตุได้แก่การบําเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยไม่ลดละไม่อ่อนข้อย่อหย่อนกำลังผลก็คือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นมาเรื่อยเย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 มีแต่ปัญญาข้ากิเลสอะไรจะยิ่งกว่าปัญญาปัญญาของกิเลสเราก็เห็นกันทั่วโลกอยู่แล้วปัญญาของธรรมที่เป็นเครื่องข่ากิเลสมันเป็นปัญญาประเภทใดเอาขูดค้นขึ้นมานักปฏิบัติเราจะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่ว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกจะได้ทราบประ จ, กจักษ์ภายใจว่าปัญญาที่เป็นเครื่องข่ากิเลสคือปัญญาประเภทใด ไม่ใช่ปัญญาที่เราไปหยิบก็ามาจากตำรับตำลาเราไปฟังมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นเป็นเงื่อนหนึ่งของปัญญาหรือเงื่อนหนึ่งของธรรมเช่นเงื่อนหนึ่งของศรัท ธ, ธาเงื่อนหนึ่งของสมาธิที่ท่านอธิบายไว้เงื่อนหนึ่งของสติเงื่อนหนึ่งของปัญญาเท่านั้นแต่เวลาจะเอามาเป็นธรรมัติของตนจริงๆศรัท ธ, ธาก็เป็นขึ้นในตัวเองวิรยิยะสติสมาธิ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 เป็นสติเป็นปัญญาเป็นธรรมแท้เป็นสิ่งที่ควรแก่การปราบพิเรฒุทุกประเภทให้เรียบรากลงไปโดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นสยามภูทั้งนั้นทรงสามารถขุดค้นขึ้นมาโดยลาําพังพระองค์เองที่โลกทั้งหลายไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นไม่เคยพบเลยทัสติปัญญาเหล่านี้แต่พระองค์ทรงค้นพบโดยลาําพังพระองค์เองควรแก่การปราบพิเรฒให้เรียบร่าไปได้จนกลายเป็นศาสตาขึ้นมา ทั้งสาม v ทั้งหลายที่ว่าสาวกะสาวกะแปลว่าผู้ฟังได้ยินได้ฟังเงื่อนต้นเงื่อนปลายพอเป็นปากเป็นทางจากพระพุทธไชยเสียก่อนแต่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นตัวมากตัวผลของสาวกนั้นๆเพียงเป็นเงื่อนหนึ่งที่สาวกทั้งหลายใช้หยิบยกขึ้นเป็นปากเป็นทางถ้ายกให้ก็เรียกว่าทำทั้งดุน ให้ไปเจริญในตัวเองด้วยการขุดค้นด้วยการพิจพิจารณาด้วยความภักเพียงด้วยความอุตสาห์พยายามตัวเองแล้วทำทั้งหลายจะปรากฏขึ้นโดยลําพังตัวเองเพราะความสามารถของตัวเองคําว่าสมาธิที่มีอยู่ในแบบในําหลับตําลาเป็นชื่อเป็นปากเป็นทางวันั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อนี่สมาธิแทบเป็นอย่างนี้นี่เป็นของเหล่านั้นดูแล้วสมาธินั่นเป็น ตากเป็นทางสมาธินี้เป็นองค์ของสมาธิแท้เป็นเนื้อเป็นหนังแท้เป็นตัวจริงแท้นั่นจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ปรากฏขึ้นกับตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบภายในตัวเองเป็นผู้เสวยผลมากน้อยที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิของตัวเองนี่เป็นตัวของตัวเป็นเนื้อหนังของตัวแท้โดยลำหนับลำหนัก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 ยังต้องลงในปัจจุบันสมกับกิเลสเป็นหลักธรรมชาติของมันคือปัจจุบันอยู่ภายในจิตใ จ, จมาตั้งกับตั้งกันไม่เคยคําว่าเสื่อมว่าคลายกานั้นสมัยนี้ไม่มีในกิเลสแต่มันมีอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาอาการลิก ก, กิจอาการลิกธรรมของธรรมกับอาการลิกกิจของกิเลสมันก็มีเหมือนกันถ้าหากเราไม่ถอดไม่ถอนนวนออกเมื่อไหร่ที่จะให้มันหลุดรอยไปจากใจเราโดยไม่ได้ประกอบความภาคเพียรด้วย หลักธรรมของผู้เผยพเจ้าแล้วอย่างไรก็กลับไหนกันนั้นถึงไหนถึงกันเกิดตายอยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับมดแดงตายขอบดองจะตายไปเท่าไหร่จนกระทั่งมดแดงตายขอบดองก็ไม่มีสิ้นมีสุดมันเป็นวงกลมของมันอยู่เช่นนั้นอันนี้เรื่องของกิเลสพาให้จิตมันหมุนก็หมุนอยู่เช่นนั้นเหมือนกันไม่มีคําว่าเงื่อนตัวเงื่อนปลายไม่มีคําว่ากิเลสจะมีอีกความอิจนาละอาใจไม่มีคําว่ากิเลส จะมีความ <C Wrestling> ชาลาข้าค่า <t Update> ตาฝ้าตาฟางหูนวกตาบอดฟันหลุดฟันถอนสกุล า, ายทุรนทุทุโธ ท, ท, ทุผลภาพไม่มีในกิเลกกิเลสทันสมัยตลอดเวลาเที่ยวชาญอยู่ตลอดเวลาจึงหาอะไรมาปราบไม่ได้นอกเหนือจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นมนจะไม่มเรียกว่า เป็นปัจจุบันดูอย่างไรแล้วจิตดวงไหนจะไปเกิดที่ไหนก็ออกจากความบงการความถุดความล่าของกิเลสทางนั้นกิเลสลาสมัยเมื่อไหร่พอที่จะไม่ทันจิต ด, ดวงดวงใดดวงหนึ่งแล้วเล่นรอดออกจากตัวไปได้มีที่ตรงไหนไม่เคยมีกิเลสต้องครอบไว้ทุกหัวใจเว้นเด่๋ยวใจที่มีธรรม ม, มีอำนาจเหนือกว่ากิเลสปรากิเลสให้หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาของกิเลสเพราะไม่มีกําลังท่านทานกับธรรมได้เท่านั้น กิเลสถึงจะยอมตําหมดที่ใช่กิเลสมันมีกําลังบางชาน้อยไม่ทันกับเหตุการณ์ไม่ทันกับจิตของสารโลกแต่ละดวงนู่ดวงไม่มีเพราะอยู่ในใจนั้นแล้วลากแก้วลากฝอยของกิเลสก็ฝังอยู่ที่ใจนั้นแล้วมันกล้าเคลื่อนไปที่ไหนจะเอาการอาสมัยที่ไหนมาทํำลายมันได้มันไม่ใช่การมันไม่ใช่สมัยมันคือกิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตใจด้วยมา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 นิพพตวรรษรทั้งหลายจึงปรากฏว่าได้บรรลุธรรมต่อพระพักของพระพิชธ้ามีจํานวนมากนั่นคือเป็นาภาคปฏิบัติของนิพพตวรรษทั้งหลายที่ทได้ยินได้ฟังแล้วแก้สิเลตไปนในขณะนั้นทดสดร้อนร้อนเป็นสันพิติโกเพราะสติก็จาะปัญญาก็จาะ อ, อยู่ที่ตรงนั้นเป็นาภาคปฏิบัติที่ตรงนั้นทำก็เป็นธรรมาปัจจุบันและเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนอย่างถูกต้องแม่นยําด้วยผู้ฟังซึ่งมุ่งความจริงอยู่อย่างล้นหัวใจแล้วทไมจะไม่เจอของจริงต้องเจอเมื่อเจอต้องรู้ต้องเห็น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 ที่จะฟาดฟันหันหลังหรอถอนพวดขึ้นมาไม่ได้นี่แหละที่พระพุทธวิษัทได้ฟังทำจากพระพุทธเจ้าในบรรลุมรผลอิพานคือเป็นภาคปฏิบัติภายในจิตโดยเฉพาะนี่เป็นภาคหนึ่งถ้าต่อไปก็คือเรานำเหตุนำผลนำเงื่อนของท่านที่อบรมสั่งสอนแล้วไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองคิดก้นขึ้นมาฝึกหัดอย่าอยู่เฉยเฉยสติปัญญามีที่จะนำมาใช้ไม่ได้จนกรอกเรามนุษย์เราไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ ยิ่งมีทำเป็นเครื่องมือด้วยแล้วมันก็ยิ่งเบิกทางให้ผู้มีความสนใจใคล่ยต่ออัดต่อทำคลายต่อความพ้นทุกข์คลได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ก็เห็นจะเห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาเพราะอานาจของสติปัญญาจากการค้นคว้าของเราเนี่แหละขอให้ทุกท่านในลงใจในการประพฤติปฏิบัติจะไม่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้เลยจะเป็นขึ้นภายในจิตใจสดสดร้อนรอนสิ่งนี้จะไปเหมือนอะไรอืม สติก็ดีปัญญาก็ดีผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาได้ปราบกิเลสลงไปโดยลําดับก็ดีและไม่มีอะไรเหมือนจึงเรียกว่าสันติทิโกสันติโกคือเฉพาะเฉพาะเท่านั้นจะพูดอะไรออกมาก็ไม่ถูกแต่ประจักษ์อยู่กับใจโดยลําดับลําดาที่จะสัมผัสสัมพันสตามเพราะการคุปฏิบัติเพราะกิเลสขาดลงไปขาดลงไปขาดสะพัน่นลงไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดท้นไม่ได้ถามใคร ไม่ได้สงสัยเป็นสมบัติของตนโดยสมบูรณ์ขึ้นภายในจิตใจนีหลายผู้ที่เจ้าและสาวกต่างหลายท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านไม่ได้รู้ได้เห็นแบบลูกโลกอ่ะโลกเป็นโลกใครรู้ก็เหมือนกันหมดเรื่องของโลกทำนี้ใครรู้ก็เหมือนกันหมดไม่ต้องไม่ได้ถามกันให้เสียวเวลามันเหมือนกันหมดตาหูจมูกเลี้ยกายสมบัติสัมพันธ์ทางโลกเขาก็ไม่ถามกันเหมือนกันนี่ จิตสัมผัสสัมพันธ์ทาขั้นใดก็ตามก็ไม่ได้ถามการท่านจึงม่ท่านจึงว่าสันติโกสันติโกเป็นโดยไปโด ย, x, ยลําดับตั้บแต่ทําขั้นใหญ่ก็เป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะตัวโดยแท้โดยแท้จนกระทั่งถึงความเบือสุดสุดส่วนก็เป็น ส, ส, ส, สันติโกสุดส่วนเหมือนกันสุดท้ายนั่นก็บราจงเวทิตบูวิยูีเนี่คนโง่จะไปรู้ได้ยังไงรู้ทำประเภทเหล่านี้น่ะท่านจึงว่าท่านปุรู้ทั้ ง, ห, ง, รรงหลายคุณ รู้จำเพาะตนกันหมะวินยูหินั่นอันท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนอาจตังคือปัตติเจคอแยกออกไปท่านแต่นั้นนะ่ะทางปัตทางวิปัตติคือรู้จำเพาะตนเวลามาศึกษาให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดียาชินชา มันจะกลายเป็นหน้าด้านไปนะเรื่องของวิเลททั้งมวลที่กล่าวมาหลังนี้เราเป็นนักต่อสู้อยาให้ยิงงนี้ก็ามาแอบตัวเราได้นอนอยู่ก็สู้ถ้าเป็นผู้เห็นภยยัยจริงๆวิเลทมันฆ่ามันตีเราได้มันทรมานเราได้บีบคับ้นเราได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับวิเลทจึงไม่ได้ยอมว่าอียาบดไดสู้ได้ทั้งนั้นไม่ใช่มัน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 เงินตัวเงินตายไม่ได้เหมือนคนบ้าทั้งๆ้งที่มีสติอยู่ก็เห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจของเราเองการปฏิบัติคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกโดยลําดับลําดาตั้งแต่ความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจนจะเป็นบ้าก็เห็นก็รู้ผ า, าในใจิตใจเพราะใจเป็นผู้เป็นเสียเองก็ได้รู้ได้เห็นกับตัวเองเวลามาตะเกียบตะกายล้มลุกคุกคลานก็รู้อ้าวจนกระทั่งถึงตั้งตัวได้ในขั้นนึ่มแน่ถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกับว่าตั้งไข่ได้ จิตเป็นสมาธิจิตสงบเมื่อสงบไปเห็นนั่นเหลือเนี่ยก็รู้แล้วกระทั่งตั้งเมื่อตั้งตัวได้ในทางสมาธิเป็นที่แน่ใจก็รู้นั่นนี้เลย ก, ก็ค่อยรวมตัวเข้ามาที่มันกระจายออกไปนอกขอบเหตตจักรวาลซึ่งไม่เคยเห็นมันก็ไปเห็นเห็นด้วยความสัญญาอารมณ์ด้วยความมาั่นความคาดความหมายของจิตเดียดนั่นแหละมันก็รู้ที่เวลาหดตัวเข้ามาก็รู้จนกระทั่ง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 ในความรู้ไม่อยากรู้อยากเห็นยิ่งกว่านี้ไปอีกเพอพอตัวแล้วหนักถอนตัวออกมาจิตก็ยิ่งมีความละเอียดเมื่อจิตถอนตัวมาจากส่วนร่างกายนี้แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องร่างกายคนคนอื่นศสตร์อื่นว่ามันจิตมันเคยไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถึงที่เรื่ไหนอันเป็นเชื่อขอพวกแข็ชาติที่จะให้เกิดให้เกี่ยวพันกันทําไมจะไม่รู้เวลามันขาดจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขาดจากเรื่องของส่วนห ย, ยาบๆทั้งหลายเหมือนกันหมดเนีย่ยก็รู้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 ททความิดความรุงก็เหมือนกันมันเป็นขมันอยู่เช่นนี้แต่เราไปตื่นไปหลงมันจะเฉยไปยึดมันจะเฉยเมื่อปัญญาด่างเข้าไปถึงความจริงแล้วทุกส่วนทุกอย่างมันไม่มีความหมายในตัวของมันเลยแต่เราไปให้ความหมายมันอีกต่างหากนี่เราถึงได้หลงกับพี่เลนนั่นแหละพาให้หลงพาให้หลอกถึงได้หลงทราบชัดเข้าไปมีการพิสูจน์เรื่องเกิดเรื่องตายตายเกิดตายศูน ย, ย, ย์ในหลักปฏิบัติ พิสูจน์อย่างนี้จะไม่สงสัยมีกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนดวงก็ตามถ้าได้ลงได้รู้อย่างนี้แล้วประกาศตนเองได้เลยประกาศอย่างที่ว่าไม่อยากอวดประกาศตามความจริงไม่สะทกสะพานเป็นอะไรไปเมื่อปัญญาได้ว่นล้อมเข้าไปว่านล้อมเข้าไ ป, า ม, าไปมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องอะไรที่ให้เกิดพวกกูชาติส่วนหยากก็รู้ตัดขาดเข้ามาตัดขาดเข้ามาจนกระทั่งถึง รากฝอย อ, อืคืออาการทั้งสี่เวทนาสัญญาทั้งขามิญญาพิจารณาเข้าไปตรงไหนมันก็มีแต่อาการอาการฟังตะว่ารากฝอยรากฝอยมันเป็นต้นของมันเมื่อไหร่ออมันรากมันตัางหากเราค้นเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงหาสงสัยไม่ได้แล้วรากฝอยก็ทราบชัดว่ารากฝอยตล่อยวางไว้ตามความจริงของมันเอารากแก้วมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละมัน หยิบพิสุจน์ตัวเองเข้าถึงจิตที่นี่รากแก้วมันฝังยึนกองกลางจิตตัวจิตทั้งดวงเป็นรากแก้วของมันท่งนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังของกิเลสอวิชชาทั้งมวลแม้สติปัญญาที่เป็นมาอย่างเตียงไกลก็ยังหลงเพลงของมันได้แต่สติปัญญานี้ไม่หลงนานเพราะถึงหลงก็หลงเพื่อจะรู้ไม่ได้นอนายเหมือนทั้งหลาย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 เรืนคือกรรมที่อกี้เด็กไปหมดแล้วมันก็ยังไม่ล้างจากักนา ม, มาทําวิจินาตามเข้าไปตามเข้าไปเจนกระทั่งไปทําลายกันได้หมดแตาบธรรมเ้าจะแหลกไม่มีอะไรเลยลากแก้วที่ฝังอยู่พายในจิตใจถูกตาบธรรมแผดเผาละลายทิพไผ่ปุนปี้ไปหมดไปยังไงที่นี่เกิดไหมไม่ต้องมาไปถามใครพ่อห้เออเอาอะไรไปเกิด มันมีเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันหมดนี่เงื่อนพายเกิดจ็บเจ็บายเกิดแล้วเกิดเล่าคืออะไรก็คือกิเลสตัววิชานี่มันพายเกิดแล้วเกิดเล่าส่วนยาพายเกิดจุดอยากส่วนละเอียดพายเกิดละเอียดเช่นภูมโลกห้าชั้นอวิหาอัตปาสุภาษีกติฐาสนี่เป็นภพยาเพราะจิตตัวนี้อยากเหมาะกับภูมินั้นต้องไปภูมินั้นไม่ไปภูมิอื่นไปภูมิอื่นไม่ไม่ได้ไม่ไป เหมาะสมกับภูมินั้นทำไปภูมินั้นเมื่อไม่เหมาะสมกับภูมิใดเลยไม่สมควรแก่ที่จะไปอยู่ในภูมิใดเลยก็ขาดสะบั้นไปเลยถึงนิพพานนั่นมนุษย์อย่างนั้นที่นักปฏิบัติถ้ามันจริงมันจังที่ธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศความจริงมาได้ 2,500 ปีนี้แล้วสําหรับองค์ปัจจุบันของเราทุกวันนี้ไปยังไงหูหนวกตาบอดท้ายกิเลสนําไปกล่อมบไปหมดเอาไปถลุงหมดแล้วเหรือตาของเราก็มีเหมือนตาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย หูจมูกลิ้นกายของพวกเราก็มีเหมือนผู้พุทธเจ้าและสาวทั้งหลายสติปัญญาของเราไม่มีเหลอที่จะคิดขึ้นมาตามหลักธรรมที่ท่านสอนว่าให้คิดให้อ่านนี่มันไม่มีบ้างเหรอทำไมไม่คิดกิเลสมีอยู่มันท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาควันลงไปสิให้มันเห็นสิเรื่องตาเกิดตาสูญมันเป็นยังไงให้มันเห็นให้พู้พุทธเจ้าพาเห็นพาลู่นั่นแหละดียิ่งกว่ากิเลสพาให้รู้พาเห็นกิเลสพาลูให้เห็นมันปิดตาให้เห็นมันปิดจมูกให้ดม มันปิดใจให้คิดเพราะฉะนั้นใจจึงบอดจึงหนวกตาจึงบอดจึงหนวกทั้งทั้งที่ตาดีหูดีเนี่ยถูกกิเลสมันปิดไว้หมดมันก็ไม่เห็นตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ถ้ามันหลอกกุมกี่กับกี่กันแล้วนี่เนี่ยตัวหลอกยังเต็มเป้าหลอกอย่างน้อตัวเส็จคือกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่แหละนันหลอกตลอเวลาพอเปิดหน้ากามขึ้นแล้วอะไรพาให้ศูนย์มาเอี่ตัวกิเลสเองมันก็ไม่ได้ศูนย์นี่เนอมันอยูวนหัวใจนั้นแต่มันหลอกว่า ตาแล้วศูนย์ถ้าว่ามันศูนย์จริงๆจิตเลศมันทําไมไม่บานลายมันอยู่ที่หัวใจถ้าใจมันศูนย์ไปจริงๆ น, นี่ตอนที่มันศูนย์โดยกุศิเลศพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกิจมันศูนย์ที่ไห น, นบริสุทธิ์นั่นถ้าศูนย์แล้วอะไรมาบริสุทธิ์เห็นจะชัดคพูจะชัดนี่สันติโกนึงถ้าจะว่าศูนย์ยอดกสุดอยู่ตรงนี้มีกี่หมื่นกี่แสนกี่พบ ก, กี่ล้านของโลกธานนี่ก็ตามเถอะจะไม่สนใจฟังเลย ก็รู้ได้ชัดว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านโลกธาตุนี้ก็คือโลกธาตุที่จอมปลอมเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้จิงเหมือนธรรมชาติที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่เวลานี้เลย น, นั่นเอาตรงนี้ที่ยันกันนะักปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นความจริงตามหลักธรรมพุทธเจ้าเน่านั้นก็ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ประมาทผู้ใดก็ไม่ได้กิเลสเอาแว่นตาดำมาใส่ปุ๊บผนันนากันไปไม่จบไม่สิ้น ท, ทั้งทั้งที่ ในกิเลสยียบคออยู่นั่นเยียบหมอนอยู่มันมันเอาความรู้มาจากไหนเนี่ยความรู้กิเลสทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ของธรรมถ้าควรู้งทํากิเลสต้องพังไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เห็นเอาให้รู้นักปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอยู่แท้ๆกับใจนี่เราอยากได้ยินได้เห็นหมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นตามหลักธรรมที่สอนมาเหล่านี้ไม่ได้สอนอย่างแบบปลอมปอๆแบบป่าๆแบบคาดคะเนนะนี่พูดอาถรรพ์พูดตามความจริงเลย แต่ว่าหานมากหรือน้อยก็ตามพูดเต็มหัวใจพอรู้มาเต็มหัวใจสลาเป็นสลาตายพ่อทําดวงนี้ตั้งแต่ได้เริ่มกลับไปไปหาครูบาอาจารย์เท่าไหร่ครูบาอาจารย์ทั้งเรามาแล้วฟังอย่างถึงใจแล้วเอาละทิ้นแต่ จ, จริงใหม่ถามเจ้าของต้องจริงที่เราหาความจริงอยู่แล้วนานตั้งแต่ขณะนั้นอะไรนี่ อ, อสลุมบอนกันกับอันนี้แหละกับธรรมชาติที่ว่าตายแล้วศูนย์นี่ยฟาดกันลงไปแล้วอะไรศูนย์มันก็ยิ่ง เห็นโทษของกิเลสร้อยเปอร์ซ็น้อยปอร์ซ็ตโอ้โหตัวจอมปอมตัวนี้เหลอที่มีอำนาจครอบหัวใจโลกครอบข้อใจหมูสัตว์อยู่เวลานี้ไม่มีไม่เห็นโทษเห็นภัยเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เหมือนลูกฟุตบอลนะักติ้งไปตึ้งมาเพราะมันแตะกถูกมันแตกติ้งไปพบนั่นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เหมือนไม่มีหูมีตาเลยทั้งทั้งติใจตรงนั้นก็เป็นดวงรู้แต่หาความรู้ที่จะรล็ดรอดออกไป จากอำนาจของมันไม่ได้เลยนี่ที่มันน่าสล ด, ดสลดสังเดชขนาดไหนความกลอมของกิเลสความแหลมคมของกิเลสที่มันหลอกสลอนโลกนะ่ะมีทำเท่านั้นที่จะทําลายมันได้เปิดมากา ก, ากเปิดความชั่ว ม, มันให้โลกได้เห็นได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์จึงเป็นโลกธาตุบันไหวจะไม่ไหวไงกิเลสมันอยู่ในโลกธาตุนี่กิเลสไม่ไหวอะไรจะไหวกิเลสกลัวทําอย่างเดียวไม่ได้กลัวอย่างอื่นอยห มะหมู่เพื่อนตั้งใจเราเพื่อปฏิบัติน่ะอย่างนี้ถ้าพูดไปแล้วมันถักเป็นเองในหัวใจตรงนี้แหละมันพูดธรรมดาธรรมดาไมได้มันไม่ถึงใจนี่นะมันออกปางมันเองผงผงผงอยากให้รู้อยากให้เห็นนี่นะเหมือนวันนี้หน้านี้หน้าตาบอดเฉยๆจากพูดอย่างนั่นนี่นะทําไมไม่รู้ไม่เห็นมีอยู่นี่อยู่ในหัวใจนี่นะธรรมะมัติมาปฏิปทามันมัติมาตั้งกิเลสมันมีอยู่ของมันอยู่นั้นน่ะมันเหมาะสมกับที่จะอยู่ได้มันต้งอยู่น่ มัจจิมากรทำก็เหมาะสมที่จะปราบมันได้ถึงปราบมันได้เอาที่ผิดขึ้นมาสิเอาจนกระทั่งถึงหลักมัชจิมาธรรมชาติสิคือความบริสุทธ์มัจจิมาธรรมชาตินั่นแอืะไม่มีคําว่าเอ็นว่ายังไม่มีการสถานที่เอกราชิตรอาการทีกระติดอาการที่กระทำคือธรรมชาติแบบนี้แหละถ้ามันเห็นยุที่ใจนากกวจิบัตเราสิเอาละแสดงคำเหนื่อยมากแล้วถ้ามันยับหลอมันคือกิจมันยับอันนี้แสดงมานี่กิจมันยับมันก็ต้องหยุด ที่จะแท่ไปมันก็รงับระงับงับไปเลยมันเข้ามาหยุดมันบอกโอ้ยแล้วกันแสดงม่าจุดยอดน่ะมาถึงจุดมันสัมผัส้ามันบอกไฟเหลวขึ้นแล้วมาพูดจะว่าแบบโรโล่กมันโมโหให้กี่ยงวะมันเป็นผู้เดือดูแคจริงๆู่กำกวมคกลียดถ้าเป็นพูดําแบบโรโล่นะมันถึงใจอย่างนั้นเลยเคยเรพูดในหมู่คนนั้น มม่เห็นมองเห็นกิเลมนต์นั้นกำลังอาา ะ, งงระไรอยู่กัาาตาท <g if ix> างานอะไรก็บต่างมากินข้าวก็ตามันจะโดดถึงืจะใส่ตาเกียงเลยจิเลตตายมันจะกลับมานเข้าใหม่ <g if ix> มเพอต้องข้ง อ, อ๋อมังกรแลวความอายแ่รู้ไม่เห็นเลยามันมันเก่งแบบไม่มีอะไรอยยัง อะไรเหมือนจิตตรงนี้มีไหมในโลกทั้งสามเด่นโลกะธานมีอะไรเหมือนไหมนั่นอ่ะืมไม่มีอะไรเหมือนเลยนั่นอ่ะเหล่านั้นเปนเรื่องเกลียดทั้งมวนเลยมิตรมันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนดอันนี้ไม่เหมือนอะไรนั่นข้างที่แยกงานนี่ต่ากันยังไงโลกะธานทำทำเหยียบหัวกิเลสนั่นแหละมันสนุกสนุก เราแปลกันเองโล ก, กุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกโล ก, กะอุตระแปล ว, ว่าสูงทำที่สูงกว่าโลกหรือทำเหนือโลกแปลงอืเราแปลเพื่อในภาคปฏิบัติแเราทำที่เหยียบหัวหกิเลสก็ว่างั้นเอยกิเลสต่ำกว่าเราแล้ก็เหยียบหัวมันได้ถ้าเราต่ำกว่ามันมันเหยียบหัวเราอย่าอย่าลืมคิดนะข้อนี้นะเดี๋ยวนี้มีแต่ที่เด็ดเหยียบหัวเรา่ โรคอุตากิเลสกิเลสเหยียบมอแล้วกับโลกนี่ไ ม, ม่เท่เป็นห่วงหมู่เพื่อนเนี่ยกัน ม, มารืไม่หรืมาแ ล, วาแลวความสมบูรอะไรสุขภาพ น, นะมาแล้วความตะเกียกับกายเป็นความห่วงหมู่เพื่นมันเป็นในระดับธรรมชาติของใจนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรมันไม่ได้อย่างที่เราสอนยิ่งมันจีบมันขวางมัน คลิมันปลีนเปลี่ยนคนนีา้ภาษาโลกเมันโมโหวะว่างนันเลยมันไม่สมเจตนาที่เทศสอนหนู่เพื่อนอย่างเต็มหัวใจทุ่มลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วทํำไมยังมาแสดงอย่างนี้ให้เห็นนี่นะน่นแขกมากเรื่อยๆวันนี้ก็ดีไม่มากแต่ก็มาไม่ค่อยผัดเราก็ต้องรับแขกไเรื่อยๆคุณจะเอี่ยวคุณจะตายหน่วะทำไง ก็ฝืนไปลยฝืนไปเลยถ้าลำพังตามเรื่องของของจริงเนี่ยให้หรือ่ให้เลือกเอาตามสภาบใจนี่ยิ่ไปนานแล้นีที่เกียดอยู่ที่เกียดยุ่งเรื่องธาตเรื่องขันเรื่องอะไรนั่นนี่นเรื่องสมมดทั้งหมดี่เคยไปมาแล้วทังนั้นมันเป็นของแปลที่ไหนมันไหนวันไหน ถึงตามมาเช้ามีแตเรื่องของปฏิบัติต่อธาตุต่อขันธ์พลาฮาเวย์บรรจักขันธ์ทาแล้วารับผิดชอบมั อ, อยอู่ตลอดนม้กิจกจะไม่พลาราเวย์บรรจักขันธ์ทาร์ได้ยึดมั่นถึงมันเป็นเรื่องขอ ง, ของกิเลสก็ตามความรับผิดชอบมันก็มีอยู่เนื้อสลัดพ่วงไปเรื่อไปไหนไปเถอะลงตมน่งทนถ้ามันเคยลงเ น, นหมดความรับผิดชอบจะว่าหมดอะไรก็ไม่เห็นอะไรอะไรกันมันนี่ หมดความรับผิดชอบเพรานั้นหายยุ่งว่างมันเนี่มันให้ยุ่งพาใยุ่งแล้วเกินสองวันนี้ไม่ทราบมันวินมันเย็นอะไรเดินไปไหนก็จะไม่ได้ล้มลุกคลานลุกคุณนรีบนั่งลงมันจะล้มในเดี๋ยวนั่นหน้ามืดปั๊บทันทีเลยต้องรีบนั่งเลยไม่รีบมันมันจะล้มก่อน แต่มันล้มมันหนักมากเรารีบนั่งแต่มันยังไม่หยักมันคือกลัวว่าเราจะรียบทําไม่ทันมันสิความรู้มันรู้จิตอวามมันรู้ทันทีเลยแต่ทีนี้เรื่องของจิตเรื่องของติตเรื่องของชานที่จะปฏิบัติต่อกัรนี้ที่ถ้าไม่เร็วทันมันนันก็เอาจริงเช่นรีบนั่งไม่ทันนี่ล้มมันยิ่งหนักหน่อยอย่างที่ไม่ฉันมาเินจบาดน่คือแบบมันเดินไปเม่ไหวสงสารโซเซข้อจะล้มถ้าไม่เน้ใจไปมันเอาจริง เคยไม่ไปแต่ก็ความเมื่อขามันก้าวไม่ออกแล้วท้องจะก้าวไปทําไมอ่ะไม่จริงนั่นขาไม่ก้าวก็ใหญ่ท้องมันก้าวจะให้่ริ่นมันใหญ่ปากมันก้าวมันไม่จริงจะพอดีอันนี้สายนี่มก็เคยเคยดดัดกันได้ของหมามันก็ยังมีนะทุกคนมันยังมีมันจะเป็นนิสัยเลยก็แล้วแต่แต่แต่ความเป็นอย่างงั้นไม่ได้คุยแล้วทํำจริง มันฉันไม่ได้ว่ามันบินถวัดไม่ได้ไม่ฉันผมเคยเป็นปฏิบัติในนั่นมาจนลึกลึกไม่ได้เลยว่าเร า, เร า, ร า, เรารฉันไม่ได้เราไปบินถวัตไมาได้แต่เราฉันตรงไหนนู่นฉันไม่ได้ไม่เอาไม่ฉันคือไปไม่ได้มันพระรามาจะไปของมันแล้วเองฉันได้เองปวดของคลึ แต่ในระยะนั้นกับมันก็เกี่ยวกับเรื่องความแบบเดี่ยวของจีบไม่ให้จีบมันอ่อนแอได้เนี่ยมัลก็เนลอดอันไข่ของมันไม่มียาแต่ก่อนยิ่งไข่มาเรียได้แล้วโอ้โหเวลาหนาวก็ผ้าห่มที่รมันก็ไม่มีแล้วอุ่นเอามันที่เรามันกระหนักเฉยๆมันไม่เห็นอุ่นเลยจับสั่นยามาห่มมันมากอ้าวมันจะสั่นเราจะต้องทาผุติคนลมลงไปนีก็ให้มันเห็นดีกว่า ปล่อยมันเลยเอา้อาวตื่ที่พอจากนั้นมันก็เปลี่ยนจากหนาวก็เป็นร้อนทีหนึ่ร้อนภายในอบร้อนโอ้โหเวลามันร้อนนเป็นไฟไปหมดทั้งตัวผ้าที่ผมไปยังไงผมไม่งั้นเลยไม่ยอมมาออกเตี้ยมดไม่เรียนนี่หนักมากนะเวลามันหายไปแล้วเนี่ยผมบทวิการนี่ร่วงเกือบหมดเลยนะ ปางนี่เปื่อยมดคือมันร้อนหน่อยมากผมร่วงไปหมดหนึ่งคือปากนีเปื่อยมดเรรยาผัวอ า, าจารย์นลูนิสัยของเรากยายวิญญาณเราให้เราไม่กินไม่กินเวลามันเป็นโรคมันหาโรคมาจากไหนมันเกิดในกายเวลามันหาปัญหาอรมาจากไหนนี่วะเป็ดไก่ สัตเต็มแผ่นดินเขาเองมีโรงพยาบาลมีนางพยาบาลมีหมอรักษาเขาอยู่ยังไม่เห็นคีบหายพันอยู่วะเราทำไมนับปฏิบัติไปกลัวตายกลัวคีบหายอะไรนี่วะนั้นเป็นงั้นนะมันไม่หายมันก็ตายเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นอยู่วะกินกันเด็ดอยู่ในจิตนั่นอันเรานี่มันจะอ่อนขนาดไหนจิตมันไม่อ่อนด้วยถ้าจิตไปอ่อนแล้วมันละไปใหญ่นะเหี้ยเปลแหลกไปเลยอ นี่ปฏิบัติตัวมาอย่างนั้นนี่นะไม่ใช่มาพูดชึกเถื่อนี่เคยปฏิบัติมาแล้วพอแม่ครูอาจารย์ท่านรู่นนิสัยท่านมาเองยาไม่หนึ่งก็ท่านมาเสกขึ้นนี่กล่องใจเราก็เราก็เคารพตั้ใครมาให้ฉันเราไม่สันท่านมาเองอ้าอนิจยานฉันยนหายเลยนี่นี่เนี่ยยืดสมาเลยทันพีเอาอเลยเลยเอาเลวนี้มันหายเลยนะ กินนู่นยิ้มหยกินนั่นมันทำไมหายจันกว่าเลยนะถ้าเอาอะไรถ้านำมาอะไรมาให้ก็จะฉันทุกทีเนเพราะความเคารพเคารพท่านมันมันก็ไม่ถึงกับเสียกําลังใจของเรานี่ยเคารพท่านตัวอวิชชัยําคัญมากนะแมมมันปิดเลยโลกทั้งหลายมันตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์แหมวิลึยิ่งนะตอนมันมาฆ่าแล้วมันแหลกแล้ว แล่เเนื้อมันออกมาจ่ายตลาดเห็นนี่เนื้อวิชาไปกินสิเป็นไงอย่างนั้นพอได้ีมันเราแล่แต่เนื้อสัตว์ทั้งหลายมาจ่ายตลาดเต็มตามโลกธาตุเรามนแม่เราแล่นเนื้อของวิชามานจ่ายให้โลกได้กินดูมีแต่โลกมีแต่มันกินโลกโลกกินเนื้อวิชาดูหน่อยดีกวาเราคุณยนุษย์นันอาหารจิงมันประจักษ์อยู่นี่ ถึงไม่ยอมพระพุทธเจ้ายอมจนขนาดไม่มีอะไรเหลือในชีวิตนะเมื่อไรถึงไหนถึงกันเอาเดี๋ยวนี้หรืตายเลยเดี๋ยวนี้ได้เลยนู่นน่ะขนาดนั้นนะไม่ได้มีคุณค่าอะไรหนึ่งชีวิตจิตใจยิ่งกว่าทำถ้าทำเนี่ยโไม่ได้แตะไม่ให้มันแต่ไม่ได้ถ้านีเอาไปถือบางนนนันเลยถึงเห็นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่มาเปิดความช่วให้จายโลกได้เห็นถ้ามีพระพุทธเจ้าแล้วเท่านั้นแหละ จด้วยกันมัดไม่มีเวลาจะออกไม่มีทางจะออกได้เลยนี่เราได้ยินได้ฟังขนาด น, นี้แล้วมีทางออกทําไม่นอนตายอยู่ไม่ออกอมไม่อยากออกความคีดเห็นมัดคอติดกระมอนมั น, นเอาละเลิก